กับพระภับูรณาพิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีนะคะน้องสการ์กท่านคะเชิญบอลค่ะเรื่องที่เดี๋ฉันเปิดประเด็นไว้จริงๆมันไม่ใช่ประเด็นร้อนแล้วละ่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นเมื่อสัปตา์ที่แล้ว<อ>นั่นก็คือเรื่องของนักร้องดังของโลกวิทนียฮูสตันนะคะซึ่งเป็นนักร้องผิวดำที่มีความสามารถเอกุกแล้วดังมากจริงๆในช่วงที่เธอมีชื่อเสียงเนี่ยนะคะเชิญบล จู่ๆก็เสียชีวิตยอย่างกระทันหันเ oh. นื้อสิทิ์นเนี่ยเขาก็พลาดหัวที่เป็นเหตุทําให้ดิฉันต้องมากราบเรียนถามพระอาจารย์คือเขาพลาดหัวประมาณว่ามินตี่นักร้องชื่อดังระดับโลกอื hmm. ดับอย่างกระทันหันช็อกวงการเพลงโลกอ oh. นะคะเอาแค่นี้แหละค่ะที่ดิฉันไปตัดมาก็คือเหมือนกับไอการที่จูจ่ๆ ค น, นหนุ่มยังสาวแถมยังเป็นคนมีชื่อเสียงมีอนาคตซะด้วยเสียชีวิตลงไปอย่างกระทันหันก็มักจะมีความรู้สึกอย่างนี้กันแหละนะคะว่าแม้มันชอกโลกวินี่ฮูสเตอร์นี่ก็อายุเท่าไหร่เอ่ยสี่สิบแปดค่ะท่านคะสี่รอบยังสาวอยู่เลยถ้าจะว่าไปสำหรับคนสมัยใหม่นะคะใช่ๆช่ก็เนี่ยคะ่ะตอนนี้สาเหตุของการตายไม่ทราบคลี่คลายไปแค่ไหนแล้วนะคะจากวันแรกที่ ไม่ค่อยมี ใ, ใครได้ารายละเอียดของเขามีแต่ว่าไปอสอบถามจากคนนู้นคนนี้ซึ่งก็ไม่ค่อยได้อะไรเพราะว่าวัฒนธรรมของฝรั่งเขาก็จะดีอย่าง น, นคะคะ <c oughs> คือเหมือนกับว่าเขาสามารถสงวนสิทธที่จะให้ตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนอืลงอย่างงี้ค่ะท่านค่ะแต่ประเด็นที่ท่านจะกล่าบเรียนถามท่านนี่คือว่าอย่างเราชาวพุทธเนี่ยสมมุต <c oughs> ิว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยใกล้ๆตัว ปกติมันก็ช็อกกันนะคะแต่เราควรช็อกไหมถ้าไม่ควรชอ็อกทําไมถึงช็อกไม่ได้ทําไมถึงไม่ควรชอ็อกคือเรื่องของคนตายเนี่ยมันมีคนตายทุกวันอยู่แล้ววันหนึ่งหลายๆคนหลายร้อยคนหลายๆร้านคนด้วยมั้งทั่วโลกนะค่ะทีนี้ว่าคนที่ตายเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็เคยบอกว่าความตายนี่เป็นสิ่งที่เป็นไปเป็นธรรมดาแล้วทุกเราทุกคนเราจะต้องพ ร, ราดาจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคนตาย ทีนี้ว่าที่บอกว่าช็อกช็อกชอเนี่ยคือว่าถ้าคนนั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่ทําประโยชน์แก่โลกทั้งปวงอย่างเช่นพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยตอนปริญิาพันอย่างเงี้ยโอ้โหคนนี้แบบร่ําให้รคร่ําครวนพระพุทธเจ้าบอกว่าการตายของเรานี่าการปริญญาพันของเราเนี่ยนะจะทําให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยโอ้โหเสื่อมสิ้นจากคุณที่จะได้ไปเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็เคยตรัสเอาไวา้นี่คือลักษณะของพระพุทธเจ้าคือคนที่สร้างประโยชนนะ์สร้างประโยชน์ในที่นี้ก็คือเอาคุณ อ, อะไรมาวัดแล้วก็ต้องเอาเรื่องศีลสมาธิ ทำให้คนมีศีลมากขึ้นไหมทําให้คนมีจิตเป็นสมาธิมากขึ้นไหมทาให้คนเห็นตามที่เป็นจริงพราะความมีปัญญามากขึ้นไหมถ้าบอกว่าบุคคลที่เป็นอย่างนี้ตายไปเนี่ยโอ้โหเสียดายมากเลยสมมุติว่าถ้าคนที่ตายที่เขาลงข่าวนี่นะเป็นบุคคลที่สามารถชักชวนคนรอบข้างไปในเพื่อการที่จะบําเพ็ญประโยชน์ไปในการที่จะละเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีเขาเป็นเพื่อนแนะประโยชน์นะคุณหยมติ๋วเป็นเพื่อนแหนประโยชน์อย่างนี้ถ้า เพื่อนอย่างนี้เสียไปเนี่ยโอ้โหเราต้องเสียใจแน่นอนนี่เหมาเพราะก็คุณหมายถึงว่าเรื่องความการร้องเพลงนี่เป็นเรื่องของกามอยู่แล้วล่ะแต่เขาอาจจะมีชีวิตร้านอื่นที่เป็นลักษณะของเป็นไ ป, นปนในแนวทางของมาร์กอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีเขาอาจจะชักชวนคนอื่นให้มาปฏิบัติศีลธรรมอันนี้เขาก็เป็นคนดีนะค่ะอืมเดี๋ยวฉันเคยเห็นข่าวทํานองที่ว่าเขาสนับสนุนต่อต้านการเหยียดผิวอืที่ประเทศแอฟริกาอืมกับต่อต้านการใช้ ยากระตุ้นสารกระตุ้นในกีฬาอค่ะอีกประการหนึ่งก็คือว่าคุณยมติว๋วรู้ไหมนักสังคมศาสตร์ชาวอังกฤษเนี่ยเขาเคยทํางานวิจัยนะเขาบอกว่าเจ็้าซของผู้หญิงชาวอังกฤษเนี่ยน ะ, ะจะไม่สามารถจําชื่อย่าทวดของตัวเองได้ในย่าทวดคือหมายว่าปู่ย่าตายายของเราใช่ไหมพ่อแม่ของท่านชื่ออะไร เ, เราไม่รู้ น, นั่นคือแปดคนเนี้ยเราจะไม่รู้ชื่อของท่าน เพราะฉะนั้นก็คือว่าชื่อของเราเองประเด็นตรงนี้คือว่าชื่อของเราเองจะถูกลืมโดยเหลนของเรา oh. เหลนเราจะลืมชื่อเราเองนะเพราะฉะนั้นถามว่าคุณทำความดีอะไรเอาไว้เพื่อที่จะให้เขายังจำชื่อเราได้หรือว่าอย่างน้อยแม้ความดีของเราเนี่ยยังจะรึกอยู่ในประประศิษร์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราตายไปเนี่ยถ้าเขามีคนพูดถึงชื่อเรายังจะรึอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีแสดงถึงความที่เรานั้น อ่อทำประโยชน์นะอืมคือเลยเหลนี่จำเราไม่ได้แล้วใช่แค่เหลนี่จำเราไม่ได้ละจำชื่อเราไม่ได้ละเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีรูปเนี่ยก็ไม่ควรถ่ายรูปตัวเองเก็บไว้มไม่ควรไม่มีใครถนอมรักษาไม่มีเพเผออาจจะไม่จำด้วยซ้ำไปอืมใช่แล้วไอ้เรื่องของการตายของคนเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ตรงที่ว่าโอ้โหนี่ขนาดดาราชันนำของโลกนะ อยังไม่แน่ไม่ น, น่นขนาดนี้อ้ยเราควรจะต้องรีบเร่งนะปฏิบัติเพื่อที่จะให้เวลาที่เราถึงใกล้ความตายแล้วยังเป็นผู้ที่ผ่าู่ได้ค่ะค<น>ือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนถ้าได้เพิ่งเจอคนที่เสียชีวิตไม่นานก็ไ ม, ม่ค่อจะเกิดความรู้สึกมากเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าไม่ได้เจอเขาในสภาพที่ใกล้จะเสียชีวิตแต่เจอในสภาพที่ยังสดใสมีชีวิตชัว่์เะมันก็เป็นธรรมดานะคุณโยมติ๋วคือเรารู้สึกจะต ก, ตกใจแน่ตกใจในที่นี้คือว่า โอ้ความตายมันใกล้ขนาดนี้เลยเหรอไหนที่ทําให้เรารู้เห็นเขาเพิ่งเห็นหยุดระดับอย่างเงี้ยปุ๊บปั๊บอีกทีนึงรู้ว่าเขาไปซะแล้วอืมมาเคยมีประสบการณ์ตรงนี้อยู่นะสมัยก่อนทำงานเป็นกาว่าใช่ไหมวันนี้เราทําประชุมกันอย่างเงี้ยว่าเอ้าพรุ่งนี้เราจะจัดการอย่างนี้ๆนะทุกคนมาทํางานตามปกติมีออร์ดิเตอร์มาตรวจสอบใช่ไหมเราก็ประชุมกับออร์ดิเตอร์ประชุมกับเพื่อนร่วมงานต่างๆพอถึงวันพรุ่งนี้จริงๆเอ้าทำไมคนนี้ที่ประชุมกันแล้วไม่ยอมมา โทรไปที่บ้านปรากฏไม่ได้ลุกจากเตียงเลยตายแล้ว <Okay. S 1> เออเป็นยังไงก็มีนะคะก็ต้องเป็นเป็นเขาเรียกว่าก็ต้องดําเนินการกันต่อไปแล้วก็เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ทําความเพียรใ น, นนะในการที่เราจะเมื่อถึงเวลาที่เราจะใกล้ตายเนี่ยเรายังเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้คือคนที่ใกล้ตายแล้วเขาจะกลัวนะอืมส่วนใหญ่เขากลัวค่ะเรียนเข้าใจว่าความกลัวเนี่ยพอจะจําแนกใหญ่ๆได้สักสามอย่าง คนที่มีความรู้สึกกลัวตายเนี่ยนะคะดิฉันเองก็ยังถามตัวเองว่ามันเหมือนกับมีชีวิตอยู่แบบสบายๆเนี่ยแล้วเราก็คิดว่าเราไม่กลัวตายแต่ก็สมมุติสถานการณ์ว่าถ้าเกิดมั น, นมีอยู่ข้างหน้าแล้ว ม, ม, มีคนเคยเล่าให้ดิฉันฟังว่า ย, ดยาดิผู้พี่กันเนี่ยนะะมีคนฆ่าเขาเน่ะแล้วก็เขาตายในท่าที่นั่งคุกเข่าพนมมือขอชีวิต อนั้นเลยนะคะโมเดก็มาจินตนาการว่าเออมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะว่าไอ้ที่ว่าไม่กลัวไม่กลัวน่แต่ถ้าหากว่ามันเจอซึ่งซึ่งหน้าอย่างนั้นอาจจะกลัวก็ได้อาจจะกลัวมากก็ได้แล้วก็อันนี้หมายถึงว่ากลัวกลัวความตายว่าเออมันไม่เคยตายนะมันกลัวกลัวว่าความตายมันจะน่ากลัวตายไปแล้วมันจะไปเจออะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ใช่ไหมคะกับกลัวการพลัดพลาดคือเหมือนกับว่าโอ้ยคิดถึงเสียดายลูกนะ มันไม่ใหญ่แต่พล้ยจากคนที่รักแล้วก็มีความหมายกับเรามากๆภรรยานะใช่บางคนก็เสียดายชีวิตที่มันยังใช้ไม่คุ้มเลยอ่ะอุ้ยนี่ฉันจะตายแล้วหรอเนี่ยอายุแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะอ่ า, อามันมีสิทธิ์คิดกันได้สารพัดเลยคะท่านคะจะว่าไปมันก็น่าที่จะกลัวเหมือนกันนะนะคะคือความความกลัวของคนที่จะตายตรงเนี้พระเจ้ารวบรวมเอาไว้ตรงนี้ว่าคือทุกเนี่ยที่เกิดกับคนที่จะตายจริงๆเนี่ยนะ คือเขาจะสูญเสียจากความสุขที่เขามีทั้งหมดเลยอ่าตรงนี้แหละคือทุกข์ของของคนที่ตายแล้วคนที่ตายยังทุกประการที่สองคือตัวเองเนี่ยจะต้องไปเกิดอีกถ้ายังมีเชื้อของการเกิดเหลืออยู่การเกิดก็เป็นทุกข์อีกน ะ, ะอ่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะเจอทุกข์อ่าอย่างน้อยสองอย่างเอไส่วนเรื่องความเจ็บอะไรพวกนี้ก็จะเป็นทุกข์ที่อยู่ในหมดของความเจ็บไปค่ ะ, ะคือเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเองตรัสไว้เลยใช่ไหมคะมว่าเรื่องของความตายเนี่ย มันเจอแน่ๆก็คือทําให้ทุกคนสูญเสียความสุขที่มีกับความทุกข์ที่จะต้องไปเกิดอีกไอ้ยังสมมติอาตมาผู้นี้ถามอย่างนี้ว่าถ้าเรากําลังจะตายอย่างเงี้ยนะปรากฏว่ามีคนมาช่วยชีวิตเราให้รอดได้เห็นมาเกิดว่ามีคนมาช่วยชีวิตเราให้รอดได้เนี่ยเหมือนกับว่าชีวิตที่เราเหลือทั้งหมดเนี่ยเราเป็นของเขาเลยไงใช่ก่ะส่วนใหญ่เขาก็คิดกันอย่างนี้นะคะเป็นหนี้ชีวิตใช่ เพราะฉสมมุติว่าถ้าเราเป็นนีชชีวิตของบุคคลในบุคคลหนึ่งอ่ะคุณไปทํางานมีหาเงินไดใช่ไหมคุณทดที่คุณจะโอ้ยอย่าพูดถึงหเปซคุณให้เขาเลยคุณให้ทั้งร้อยเซนเนี่ยก็ถือว่ายัางยังใช้กันได้ไม่หมดนะทีนี้ทําให้เรามามองประเด็นตรงนี้คุณโยมตีว่าอา๋อนี่คือแค่ชาตินี้นะสมมุติชาติหน้าด้วยชาติต่อไปด้วยแล้วก็ชาตินู้นด้วยตอที่เรากําลังจะตายปุ๊บมีคนมาช่วยเราโอ้โห คนนี้เก่งมากดีมากจริงเลยเอาชา ต, ติต่อไปอีกเรากำลังจะตายอยู่ในประสบการณ์เฉียดคนนี้มาช่วยเราอีกชา ต, ติต่อไปอีกเรากำลังจะตายมีอยู่ในประสบการณ์เฉียดคนนี้มาช่วยเราอีกอย่างเงี้ยถามว่าเขาช่วยเราเป็นอนเนกชาตินะคุณหยมตีสมมุติยกตัวอย่างโสดาบันอย่างเงี้ย ค, <ะ S 1> คุณตายอย่างมากเจ็ดครั้งตอนนั้นหนึ่งชาติที่แปดไม่มีชาติที่แปดจนถึงชาติที่อินฟินิตี้เนี่ยหมดแล้วนะมีคนมาช่วยคุณจากความตายได้หมดเลยค่ะเนี่ยคือสัมมาสมัมพุทธเจ้าไงนี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไง จึงมีบุญคุณมากจริงๆเลยอืมคุณคุณเดียวด๋ยวเข้าใจเนาะค่ะอืว่าว่าเราสามารถรอดพ้นจากความตายได้อนะด้วยการใช้พุทธธรรมส่งนี่แหละคือในที่นี้จะต้องเข้าใจเรื่องของหลักการพระพุทธศาสนาพอสมควรทีเดียวนะคะใช่ใช่ใชถึงจะเข้าใจได้ว่าคนที่จะช่วยได้จริงๆนั้นคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็เวลาที่เราเจอประสบการณ์เฉียดอย่างเนี้ยตัวเองเจอเองนะ แ ต, แต่ยังไม่ตายรอดมาได้นพะระเจ้าก็เคยยกตัวอย่างถึงมา้าชัยในประเภทที่สี่ม้าอาชัยในประเภทที่สนีะ่ที่ว่าพอตัวเองเจอเองเจ็บเองโดนเองเห็นเองแล้วเราตัวเองปล่ลอยวางได้หรือว่าอย่างน้อยทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่เราจะถ้าเจอประสบการณ์นี้อีกฉันก็ยังจะสบายใจอยู่ได้อันนี้ถือว่าเป็นคุณเป็นคนที่ดีมากเลยคุณเป็นคนไม่ประมาทละค่ะถ้าเป็นคุณก็คงจะต้อง พูดตรงนี้ให้ชัดสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจหลักการนะคะว่าช่วยจากความตายแบบนี้เนี่ยหมายความว่าช่วยโดยปฏิหารไหมเพราะดิฉันเพิ่งดูเป็นข่าวจากเกาหลีนะคะที่บอกว่าด้วยความรักของแม่นอไปกอดลูกหรือทําอะไรลูกสักอย่างในลักษณะ<อ>ที่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลกับการที่จะทําให้ลูกรอดลูกที่ตายไปแล้วฟื้นได้อแบบเดียวกันหรือเปล่าที่ท่านกํำลังพูดเนี่ยเออก็ต้องพูดถึงเหตุนะเหตุของความตายคือการเกิดแล้วนะเราก็ไปเอาการเกิดออก นะความตายก็ไม่มีแค่นี้เองเห็นไหมคะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าช่วยคือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่รวมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเนี่ยและผู้ที่มาสอนถ่ายทอดต่างหากจะสอนวิธีทําให้ไม่ต้องตายอีกคือไม่ต้องเกิดอีกใช่ซึ่งฟังแบบนี้แล้วเอาฟังเป็นหลักการสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจแต่ถ้ายังไม่เข้าใจต่อไปก็ไม่ต้องไปหาคําตอบที่ไหนฟังรายการนี้ ที่เสนอคําสอนพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆใช่ <ๆ S 2> ก็อยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วคนที่กําลังจะตายนะคือแบบเต็มที่แล้วเนี่ยน ะ, ค, ะคือไว้ไม้ใกล้ฝั่งหรืออย่างคนที่อายุ70็ดอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบคนที่ได้ฝึกดีแล้วเขาก็จะไม่กลัวตายนะคุณโยมติสบายเลยจะไปเมื่อไหร่ก็ได้พร้อมเต็มที่อย่างเงี้ยก็จะมีคนประเภทนี้อยู่เหมือนกันะนะคนประเภทนี้ก็จะต้องคอยที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นเขาจให้กําลังใจลูกหลานอย่างเงี้ย เป็นคอยเป็นคนอดทนสอนลูกหลานอย่างนี้ก็ถึงจะว่าจะเหมาะสมอยู่ค่ะบางคนอาจจะบอกว่าอย่าว่าแต่ความตายเลยที่น่ากลัวมันมีแบบที่ดูเหมือนเบาๆคนอื่นไม่มีใครกลัวเลยแต่เราก็กลัวบางคนเนี่ยกลัวแมลงมุมอ่าบางคนเนี่ยกลัวแมลงสาบอ่ากลัวหนังงูอย่างเงี้ยค่ ะ, ะเห็ น, น, นไม่ได้เนะ่ยจะตายจะให้ได้ก็บอกว่า ของเขาในแย่กว่ากลัวอะไรล่ะอ๋อกลัวหนังงูกลัวอะไรเพิคือความกลัวที่มันดูเหมือนมันไม่น่ากลัวแต่เขายังกลัวเลยยานับประสาอะไรกับความตายคือคือทั้งหมดเนี่ยเอ่อมันมันรวมความกลัวเนี่ยเกิดมาจากความรักครูชาบอบค่ะนะความกลัวเกิดมาจากความรักความรักอะไรคือความรักตัวเองในตรงนี้เพราะนั้นพอรักตัวเองก็เลยกลัวอรงนี้ขึ้นมาความจริงที่ฉันอยากจะถาม ประโยเด็ดของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่อ ง, องความกลัวนายกในอดีตเดี๋ยววิวจะถามอันอื่นเพราะว่าเวลาเหลือน้อยเนี่ยจะถามท่านว่าส่วนที่เราจ ะ, ะทำเฉพาะเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีการเกิดมีพระศ า, าสดา พ, พระพุทธเจ้าขึ้นจะให้เวลาตรงนั้นก่อนจบดีไหมคะได้ได้พระุเช้าก็หลังจากที่แสดงธรรมจากแล้วนะก็ไปที่กรุงรัชกฤก กนะรุงรัชครึกเพื่อที่จะแสดงธรรมต่อคืองานของพระเจ้ามีแต่แสดงธรรมแล้วก็แสดงธรรมแล้วก็แสดงธรรมในเวลาที่ไม่ได้แสดงธรรมนี่ก็ไปพักหลีกเร้นแล้วก็เราก็ควรจะใช้ธรรมข้อนี้เป็นตัวอย่างเหมือนกันช่วยกันหมุนธรรมจักรก็ได้ืนะคะก็เท่ากับว่าท่านกําลังจะฝากไว้สําหรับเรื่องของพุทธชายันตีไว้ให้รู้เต่ว่า พระพุทธเจ้าของเราเมื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านทํางานมางานของท่านคืองานสอนถูกไหมคะแสดงธรรมสอนสอนสอนและสอนโดยส่วนตัวท่านเองแบ่งเวลาสําหรับการเรียเล้นซึ่งจําเป็นใช่ด้วยดังนั้นดังนั้นพวกเราก็ควรจะต้องช่วยกันหมุนธรรมจารและตัวเองก็ปฏิบัติด้วยถึงจะถูกต้อง S <S การหมุนธรรมจักรไม่ได้ไปหาล่ออะไรมาหมุนนะคะค <ừ> ือ <c oughs> ช่วยกันเผยแผ่คําสอนของท่านช่วยกันปฏิบัติตามแนวทางของท่านกันต่อไปอและท่านก็ท่านเพียบุญกาลังจะบอกว่าเท่ากับท่านทั้งหลายได้ช่วยกันเฉลิมฉลองการเกิดมีพระพุทธเจ้ามา2600ปีแล้วด้วยการปฏิบัติใช่ไหมคะใช่ใชนะคะวันนี้ก็ต้องนมัสการขอบพระคุณนะคะสำหรับท่านเพียบุญพระเพียบุญอภิบุญโญจากวัดปารนหายสูงอุดรรณธานี ที่ได้มาช่วยเปิดธรรมที่ถูกติดด้วยพุทธวจนะให้กับพวกเราในรายการสัมสีน์สัมทนาค่ะนักวิชการขอบพระคุณค่ะคุณบอลขัวนตอนที่ครบคาลแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของรายการสัมสีน์สัมทนาในส่วนเนื้อาหานะคะแต่ในส่วนของการประชาสัมพันธ์นั้นก็เป็นเรื่องประโยชน์ของท่านนั่นแหละค่ะที่ว่าเราเห็นคุณค่าของพุทธวัจนะเหลือเกินและเราก็เชื่อว่าเป็นของที่ล้ำค่ายังไม่มีใครทําจําหน่ายอย่างเป็นเรื่องเป็นราว คณะของพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลนะคะได้ทำสื่อเหล่านี้ต่อเนื่องมาเป็นเวลานานแล้ ว, ลวก็เป็นเวลานานแล้วเหมือนกันที่สม่ำเสมอกับการมอบให้กับท่านทั้งหลายเวลาลา3ท่านเป็นหนังสือนะคะท่านละหนึ่งเล่มโทรมาที่022690006ค่ะส่วนคำถามก็ส่งไว้ที่นี่ได้เช่นเดียวกันนะคะ022690006หรือว่าจะเข้าไปที่ www. p ว o t a m a c o m 106ของท่านเพบูลซึ่งถ้งไปที่เปียวธรรมะ .com เนี่ยท่านก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนของาศาสดาต่างๆในหลายลักษณะกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้รายการสัมมนาสนสทนาเชิญท่านมาพบกับพวกเราได้ใหม่กันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้พุทธวัตรสวัสดีค่ะ